เจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจยอย่างสูงสุดด้วยการมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเสริมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้มีมากยิ่ ง, งขึ้นไปเพราะความเห็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะว่าความเห็นนี้จะเป็นตัวสั่งการไปสู่ความคิดของเราต่อไปถ้าเราเห็นผิดความคิดของเราก็จะคิดไปในทางที่ผิดถ้าเราเห็นถูกเราก็จะคิดไปในทางที่ถูกเช่นถ้าเราเห็นว่าอบา ย, ยมุขเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายแก่เราเราก็จะคิดไปเกี่ยวข้องกับอบา ย, ยมุข เช่นการเสพสุรายยาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนเป็นต้นหรือถ้าเราคิดว่าบาปไม่มีเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์พูดผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงไม่มีผลร้ายตามมาความเห็นนี้ก็จะสั่งให้ความคิดคิดไปในทางนี้ ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความเห็นว่าบาปเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจของเราอบายยมุกเป็นสิ่งที่จะฉุดลากจิตใจของเราให้ตกต่ำเราก็จะคิดไปในทางเด็กเลี่ยงเรื่องการกระทาบาปเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับอบายยามุกต่างๆความเห็นนี้จึงเป็น ตัาสำคัญเพราะเป็นเหมือนแผนที่ของชีวิตเราหรือเป็นผู้นําทางชีวิตเราเราจึงต้องพยายามให้มีผู้นําทางที่ที่ถูกต้องที่รู้จริงเห็นจริงพาเราไปถ้าเรามีผู้นำนำทางที่เห็นผิดเขาก็จะพาเราไปในทางที่ผิด ถ้าเราไปหลงทางแทนที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันเขาก็กลับจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราไม่อยากจะไปกัน mm. ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความเห็นความเห็นก็มีอย่างที่ได้พูดไว้ความเห็นที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิเพราะส่วนใหญ่ความเห็นของเราหรือความเห็นของคนที่เขาสั่งสอนเรานี้ส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นกความเห็นที่ไม่ถูกต้องเช่นคนที่เขาสอนว่า เน้นการพนนนี้ไม่ไม่เสียหายแต่อย่างใดเดื่มสุรายาเมาไม่เสียหายอย่างไรเป็นสิ่งที่จําเป็นของสังคมถ้าต้องการเจริญความต้องการความเจริญก้าวหน้าก็ต้องเดื่มสุราเพราะเราจะได้พบปะกับผู้คนหลากหลายที่เขาจะช่วยให้เราได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือในการทำมาหากินของเราความจริงความเจริญส่วนนี้ก็เกิดขึ้นได้ตามที่เขาพูดแต่ความเสื่อมที่เขามองไม่เห็นก็คือความเสื่อมทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะตกต่ําจิตใจของเราจะไปเกิด่อนกล้วนไปเกี่ยวข้องกับบาป ก, กับกรรมที่จะทําให้ เรามีความเศร้ามองมีความไม่สบายไม่สบายใจแต่เรามักจะไม่ได้มองที่ใจของเราเรามองที่สิ่งที่เราจะได้เช่นเงินทองลำหน่งหรือคนคอยยกย่องสรรเสริญเยืนยอเราเราจึงไม่ได้เห็นถึงความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําบาปการกระทาสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนี่คือเรื่องของความเห็นผิดเป็นชอบเราควรจะมองที่ใจของเราเป็นหกักมองใจของเราว่ากำลังวุ่นวายหรือกำลังสงบกำลังมีความสุขหรือกำลังมีความทุกเว <c oughs> ลาเรามีความวุ่นวาย มีความทุกข์เราต้องมาแก้ความทุกข์ความวุ่นวายที่ใจของเราอยา่าอย่าไปแก้ในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์หรือวุ่นวายใจเพราะมันไม่มีมันไม่ใช่ทางที่จะแก้นั่นเองเช่นเราทุกข์เราวุ่นวายใจกับเรื่องงานเรื่องเองิน เ, เรื่องทองเรื่องอยากจะได้ตาแหน่งเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเรามีความสามารถ พอกับตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเรามีความสามารถพอเราไม่ต้องไปดิน้นรนไม่ต้องไปวุ่นวายเดี๋ยวมันมาหาเราเองถ้ามันยังไม่มาหาเราก็คิดเสีย ว, ว่าเรายังไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่เราควรที่เราอยากได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะหายวุ่นวายใจของเราก็จะอยู่อย่างสบาย เมื่อตำแหน่งมันยังไม่ถึงเวลาจะมาก็ปล่อยมันไปก่อนเมื่อมันถึงเวลามาแล้วมันมาเองเหมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วอยากจะให้ผลมันออกมาถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของผลจะออกมาต่อให้เราอยากอย่างไรมันก็ไม่ออกมา <c oughs> เราจะม <c oughs> ีแต่ความวุ่นวายใจไปเปล่าๆสู้ทำใจเย็นๆดีกว่า ปล่อยให้ต้นไม้เขาทำหน้าที่ของเขาไปเองหรือถ้ามีส่วนใดที่เราช่วยเสริมเขาได้เราก็เสริมไปเช่นให้น้ําให้ปุ๋ยมากขึ้นคอยกาจัดวัชพืชต่างๆที่จะคอยมากีดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้และของดอกของผลเราทําในสิ่งที่เราทําได้ แต่ในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องทำใจเราต้องทำใจของเราให้เย็นให้สบายเราคิดว่าเราไม่มีเราก็อยู่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ตายไปนานแล้วแต่เราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจกระวลกระวายกัศบกัศาย หรือจะอยู่แบบสบายอกสบายใจเราจะอยู่แบบเป็นทาสเป็นแบบคนรับใช้หรือเราจะอยู่แบบคนที่มีอิสรภาพถ้าเราอยากได้มากๆบางทีเราก็ลดตัวของเราเองเพื่อไปรับใช้ผู้อื่นเพื่อไปเพื่อเพื่อจะให้เขามีความเมตตาสงสารเราเราก็เลยไม่ได้เป็นตัวของเราเองไม่มีศักดิ์ศรีในตัวของเราเอง เพราะความอยากมันฉุดลากให้เราต้องไปลดตัวของเราไปรับใช้เขา mm hmm. คือการรับใช้ถ้ารับใช้เพื่อความโดยสุขใจนี้ดีเช่นเรามารับใช้สังคมทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดอย่างพวกมูลนิธิต่างๆที่เขารับใช้สังคม นั้นเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด เ, เขารู้ว่าการรับใช้แบบนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจของเขาให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นนี่คือการรับใช้แบบเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้ารับใช้แบบ มีหวังมีความหวังมีความอยากได้ผลตอบแทนอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลแต่เป็นการขายตัวเป็นการขายตัวเพื่อแลกให้ได้กับสิ่งที่ตนเองอยากได้คนเราควรจะมีศักดิ์ศรีอย่าไปขายตัวเราให้กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรสิ่งทั้ง สิ่งต่างๆที่เราอยากในทางโลกนะั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรแต่เพราะความเห็นผิดเป็นชอบของเราเราคิดว่ามันมีคุณค่าถ้าได้ตำแหน่งสูงๆแล้วเราคิดว่าเราวิเศษวิโสขึ้นมาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าวิเศษวิโสจริงพระพุทธเจ้าทำไมจะต้องสละฐานะของราชโอรสฐานะของผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ การเป็นกษัตริย์นั้นไปแล้วมาอยู่แบบขอทานทำไมเพราะท่านเห็นแล้วว่าลาบยุกสเสริญสุขในโลกนี้ล้วนเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเพราะมันจะคอยกดดันจิตใจให้อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้นายร้อยก็อยากจะเป็นนายพัน ยได้นายพันก็อยากจะเป็นนายพลได้นายพลก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นไปนานๆนี่นี่คือความอยากมันจะหลอกให้เราวิ่งไล่มันเหมือนกับการวิ่งตะครุบเงาเงาวนี้มันจะทอดไปอยู่ข้างหน้าเราเสมอพอเราเห็นว่ามันอยู่ตรงนู้นเราก็เดินไปตรงนู้น พอไปถึงตรงนู้นมันไปอีกแล้วมันไปตรงนั้นอีกแล้วมันเลื่อนไปเรื่อยๆตำแหน่งต่างๆหรือเงินทองต่างๆหรือความสุขต่างๆในโลกนี้ที่เราอยากได้กันมันก็เป็นเหมือนเงามันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงก่จิตใจมันหลอกให้เราวิ่งตามมันตะคุบ ม, มันไปเรื่อยๆเหมือนกับเร า, เาตะคุบของที่ไม่มีสาระ เหมือนกับกินลมอย่างนี้กินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักอื่นสักทีเพราะลมมันไม่ได้เป็นอาหารของร่างกายนั่นเองอาหารของร่างกายต้องเป็นน้าเป็นข้าวเป็นกับข้าวเป็นผักเป็นผลไม้เป็นขนมชนิดต่างๆเมื่อรับประทานเข้าไปเต็มที่แล้วก็จะรู้สึกอิ่มเองฉันได การตะคุบเงาคือการวิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศสารเสริญศุขต่างๆนั้นมันไม่ได้เป็นอาหารของใจอาหารของใจนี้ต้องเป็นต้องเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารของใจอะไรไม่เป็นอาหารของใจอย่างวันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าอาหารของใจนี้ คือบุญกุศมไม่ใช่ราบยศสารเสริญสุดอย่าไปวิ่งหาราบยศสารเสริญสุขเราทำงานทำการเพื่อมีรายได้มาเลี้ยงชีพเรานีคือเป้าหมายของการทำงานส่วนรางวี่รางวัลอื่นๆ น, นั้นถือว่าเป็นของแถมก็เรากัน ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดไีไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนเราไปเติมน้ำมันรถที่สถานีบริการเราต้องการน้ำมันเป็นหลักแต่ถ้าเขาจะแถมผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรต่างๆมาอันนั้นเราก็รับไว้ก็ได้ไม่มีเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะสิ่งที่เราขาดก็คือน้ำมันรถเพื่อเราจะได้ ใส่ไปในรถแล้วรถจะได้วิ่งไปตามสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปะการท ร, รมาหากินนี้ก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเท่านั้นเองคือให้เราได้มีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์เพื่อร่างกายของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขและเราจะได้เอาร่างกายนี้มาสร้างบุญสร้างคุโสณนี่คือวิธีของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้ ไม่มีอะไรมีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของพวกเรายิ่ยงกว่าบุญและกุศลเสียงอื่นในโลกนี้มันไม่มีคุณค่าอะไรและนอกจากไม่มีคุณค่าแล้วมันยังมีโทษกับจิตใจเพราะมันเป็นเหตุที่ทำให้จิตใ จ, จว้าวุ่นขุนบัววุ่นวายกินไม่ได้อนอนไม่หลับกระสับกระสายกังวลกวายเป็นทุกข์เป็นกนังวลอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดที่ยังมีความโลภความอยากในลาบยศเสริษสุขนี้อยู่ถ้ามองเข้าไปในใจแล้วก็จะเห็นเองว่าใจของเขาเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่อำนาจของความอยากนี้มันมีมากจนไม่สามารถทำให้เรามองกลับเข้ามาในใจของเราได้เราอยากอะไรเราก็จะคิดแต่เรื่องนั้นมองแต่เรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลา จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, ก็ยังไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทุกทรมานใจกับเรื่องที่เราอยากอยู่เช่นเรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่งกับคนรักของเราอย่างนี้แทนที่เราจะหันเข้ามาดูใจของเราที่กำลังวุ่นวายว่าวุ่นขุนมัวเรากลับไปมองที่เขาแล้วพยายามที่จะคิดหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้ได้ตามความอยากของเรา ยิ่งพยายามเทา่าไรมันก็ยิ่งทุกทรมานยิ่งขึ้นไปและถ้าไม่ได้ดางใจก็ยิ่งเสีย อ, อกเสียใจใหญ่เช่นคนที่เรารักเราชอบเราอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองแต่เขาไม่มาเป็นคู่ครองของเราเขาไปเลือกคนอื่นเขาไปมีคนอื่นเป็นคู่ครองของเราตอนนั้นเราก็จะเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอะนไม่หลับ หรืออาจจะถึงกับการคิดทำลายตนเองฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมนี่เป็นเพราะขาดสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูใจของเราพร้อมกับดูสิ่งอืง่นๆถ้าเราเกี่ยวข้องกับอะไรเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรพอเราเห็นแล้วได้ยินแล้วเราต้องดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรมีใจเสียใจหรือเปล่า อยากได้หรือเปล่าหรือเฉยๆมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้ได้ก็ได้ไม่มีไม่ได้ก็ได้ใจต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขถ้าใจเกิดความอยากแล้วมันก็จะวุ่นวายขึ้นมาดังนั้นขอให้เราพยายามมองใจของเราเสมอและเราต้องศึกษาสิ่งต่างๆที่เราอยากให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุข มันสร้างความทุกข์ให้แก่ใจมากกว่าให้ความสุขแก่ใจความสุขมันให้นั้นเพียงเล็กๆน้อยๆเพียงเดียวเดียวเวลาได้อะไรมาใหม่ๆสมสมใจอยากก็ดี อ, อกดีใจไปเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาทุกข์กับมันมาคอยเฝ้าดูแลรักษามาห่วงมาห่วงมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันหายไป หรือมันจากเราไปนี่คือเรื่องของสมมาทิจฐิเราต้องศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ความวุ่นวายใจเราอย่าไปอยากได้มันถ้าเรามีความจำเป็นที่ยังต้องใช้มันอยู่ mm. ก็หามาเท่าที่จำเป็นเราจะทุกข์ไม่มาก ท, ทุกข์เท่าที่จาเป็นจะทุกข์ แต่เราจะมีเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลให้มีมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้มาตัดความทุกข์เหล่านี้ได้บุญกุศลจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดเรามาตัวเปล่าๆแล้วเราก็จะไปตัวเปล่าๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานับตั้งแต่ร่างกายของเราแล้วก็ญาติสนิทมิ ส, สหายเพื่อนเพื่อนฝูงหรือข้าวของต่างๆหรือสามีภระระยาและบุตรทธิดานี่เป็นสิ่งที่เรามาได้กันในโลกนี้แล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ ยาตเสน็จมิสหานก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาบุตรทีดาก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็เอาไปไม่ได้ไปแต่ใจนึกตัวเปล่าๆนี้เท่านั้นมาด้วยใจแล้วก็ไปด้วยใจนอกจากว่าได้สร้างบุญสร้างคุลจนถึงขีดสูงสุดแล้วใจก็ไม่ต้องไปอีกต่อไป ใจมีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องไปแสวงหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปแสวงหาลาบยศสารเสร่อมสุขใหม่อีกนี่เป็นใจของผู้บำเพ็ญบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ได้ครบร้อยเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพระใจของพระอาหารหันตสาวก ท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ท่านแรกท่านก็บำเพ็ญทางอย่างเต็มที่คือท่านไม่เก็บเอาไว้อะไรสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบริสัทธ์บริวารญาติสนิทมิตสหายสามีหรือภรรยาท่านตัดหมดเลยเออกไปอยู่คนเดียวในป่าในเขานี่คือท่านแรก ต้องทำอย่างนี้อย่างเต็มที่ถึงจะสามารถที่จะพบกับความสุขอย่างที่เต็มที่เต็มที่ได้ถ้าเรายังให้แบบเสียดายอยู่ให้แบบเล็กๆน้อยๆให้แบบพอหอมปากหอมคออย่างที่พวกเราทำกันอยู่นี้ยังไม่พอเพียงแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับการเดินทางการเดินทางไม่ว่าจะระยะทางอันยาวนานสักกี่ร้อยกิโลกี่พันกิโลก็ต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งนี่เองเมื่อเราเริ่มก้าวไปแล้วมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆการให้ทานของเราเมื่อเราเริ่มทำแล้วแล้วเราทําอย่างถูกวิธีเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นมาใน ใ, นใจของเรา ว่าให้ความสุขกับใจของเราให้เรามีจิตใจที่สูงขึ้นมีความคิดที่ดีต่อผู้อื่น <c oughs> ก็จะทำให้เราอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีนั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะสิ่งที่เราให้ไปแล้วเราก็หมดภาระไปหมดทุกข์ไปกับสิ่งที่เราให้เราลากอะไรเรารหวงอะไร เราจะมีความทุกข์กับเขาแต่พอเราเสียสละสิ่งที่เราลากเราห่วงนี้ไปเราจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจขึ้นมา <Yeah. S 1> เมื่อเราเห็นผลอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกำลังจิตกาลังใจมีศรัทธามีความยินดีที่จะให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนาจากสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น อย่างผู้ที่มาออกบวชนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านก็มีอะไรต่างๆเหมือนเราแต่ท่านเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขท่านก็เลยสละมันหมดมาอยู่กับสมบัติเพียงแปชิ้นเท่านั้นเองที่จําเป็นต่อการดำรงชีพของนัก บ, บวชเรียกว่าอัฐบริขารเช่นบาจีวรเป็นต้น มีเพียงแปชิ้นนี้ก็พออยู่ได้แล้ ว, ลวสำหรับการดำรงชีพแต่จะมีเวลาอย่างเหลือเฟือที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลที่สูงขึ้นไปตามลำดับเพราะทานนี้เป็นเป็นบุญกุศลชั้นชั้นประถมส่วนศีนี้เป็นบุญกุศลชั้นมัธยมและการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิเจริญปัญญานี้ บุญกุศลขั้นมหาวิทยาลัยถ้าเราต้องการปริญญาตีโทเอกในทางพระพุทธศาสนาคือต้องการมรรคผลนิพพานต้องการบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสัปิปดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์เราก็ต้องขยับขึ้นไปจากขั้นขั้นปฐมสู่ขั้นมัธยมสู่ขั้นมหาวิทยาลัย พอเราผ่านขั้นปฐมแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นมัธยมคือเราจะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายถ้าเราให้หมดแล้วนี้แสดงว่าเราไม่มีความอยากได้อะไรแล้วเมื่อไม่มีความอยากได้อะไร ก, ก็ไม่ต้องไปทำผิดศีลไม่ต้องไปลักขโมยไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ต้องไปประพฤติผิดประเวณีไม่ต้องไปพูดปดบนเทศโกหกหลอกลวา ถ้าเรายังต้องทําสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะแสดงว่าเรายังมีความอยากมากมากจนไม่สามารถหยุดยั้งการกระทํำบาปได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดเราต้องให้มากขึ้นเราต้องเพราะการให้นี้เป็นการขวางความโลภความอยากนั่นเองเพราะถ้าเราให้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะถามตัวเราเองว่าแล้วเราอยากจะได้อะไรมาทําไมพอได้มาแล้วเราก็จะเอาไปให้ผู้อื่นต่อ เพราะถ้ามันไม่จำเป็นเราไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมนั้นการให้นี้มีประโยชน์มากคือมันจะเป็นการบั่นทอนความอยากนั่นเองทำให้เรามีความอยากน้อยลงพอได้ามามากเช่นจะหมากินแล้วร่ำรวยก็เอาไปแจกให้คนอื่นไปทาบุญทาบุญแล้วก็มีความสุขใจอื่นใจมากกว่าการมีเงินมีทองเก็บเอาไว้ แล้วพอได้มาอีกก็ไม่รู้อยากจะเก็บไว้ทำไมอีกก็ไปให้อีกก็เลยไม่อยากจะได้รู้สึกมาก็ได้ไม่มาก็ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปทำบาปทากรรมไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปชอบโกเพราะใจมีอาหารหาน่อหนึ่คือทานการให้นี่เองเมื่อมีการให้อย่างสม่ำเสมอแล้วการที่จะไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีในใจ ก็จะรักษาศีลได้อย่างเป็นปกติเมื่อมีศีลแล้วใจก็จะมีความสงบมากยิ่งขึ้นทําให้เวลานั่งสมาธินี้สงบง่ายคนที่มียังไม่มีศีลนี่เวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบเพราะใจยังว่าวุ่นขุ่นวัวกับเรื่องของการทำบาปต่างๆนั่นเองเวลาทำบาปแล้วใจมันจะไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจจะกังวลจะหวาดกลัว เวลาไปนั่งสมาธิยิ่งต้องไปนั่งอยู่ในที่เปลี่ยวๆที่สงบเงียบๆ ย, ยิ่งหวาดกลัวใหญ่บางคนนั่งไม่ได้กลัวผีกลัวอะไรจะตามมาหลอกมาหลอนเพราะบาปการรมที่ได้ทำเอาไว้นั่นเองทำให้จิตใจไม่สงบแต่ถ้าม่แต่ถ้ามีศีลแล้วใจจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะไม่ได้ไปทำบาป ท, ทำกรรมไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร พอไปนไปอยู่ในที่สงบที่เปลี่ยวที่เงียบที่ว่างก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอใจมีความสงบแล้วถ้าต้องการสอนใจให้เห็นให้มีสัมมาทิฏฐิให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นได้อย่างรวดเร็วจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่อยู่กับเราไปตลอดเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากยากเพราะรู้ว่าถ้าได้มาแล้วก็จะต้องทุกกับมันเวลาที่มันจากเราไปหรือเวลาที่มันหายไปเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยทั้งข้างนอกคือสมบัติเข้าของเงินทองญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายปล่อยได้ในเรื่องรากยศสารเสริญสุข ปล่อยแม่ได้ได้แม้แต่ร่างกายของเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะมันเป็นของพ่อของแม่เราเพียงแต่มาอาศัยมาครอบครองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นคนขับรถรถยนต์เมื่อมันทางไปเราก็ทิ้งมันไปเราก็หารถใหม่หรือเราเดินทางเดินต่อไปก็ได้ไม่มีรถเราก็เดินไปได้เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถ ร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายใจคือเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่อย่างใดใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายจะอยู่อย่างเป็นสุขอะไรจะไปก็ไม่หวาดกลัวไม่เสียดายเพราะไม่ได้เป็นของเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นของเราและจะต้องจากเราไปในที่สุด เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วใจเราก็ไม่ได้มีความอยาที่จะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอละพอใจปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับการไปของทุกสิ่งทุกอย่างใจอยู่ตามลำพังได้เพราะใจมีสิ่งที่ดีเป็นเพื่อนก็คือบุญกุศลที่ให้ความสุขความอิ่มอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องของสมาธิจิ ความเห็นชอบเห็นว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้นำเอาเรื่องบุญกุศลนี้เรื่องสัมมาทิฏฐินี้ไปพิิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา